เซขปฏิปทาสนทยาธรรมิกถาวันที่12พฤศจิกายนพศ2547เรื่องการเพ่งให้เกิดปัญญาตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยบางคนนอนกอดภรรยาอยู่ฝรนว่าภรรยาเป็นเม่ยใหญ่ก็มีมันเป็นเรื่องของชาติก่อนนะที่เตมม้จำนึกมันเกี่ยวไว บางคนอาจจะเป็นผู้หญิงนอนหลับไปฝันว่าเป็นผู้ชายมีผัวมีเมียด้วยบางคนอยู่ดีๆฝันว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วฝันว่าตัวเองเป็นผู้หญิงผมไม่ละไม่เคยใครต่อบางคนเคยมีวันหนึ่งฝันประหลาดฝันเอาตีซีกระดาษฝันมาหลายปีแล้วเราไม่รู้ฝันด้วยทีย่ต่อถ้าดู้เม่เคยฝัน จะบอกให้ท่านถ้าท่ารู้จากความคิดจะรู้ทุกขณะที่มันคิดต้องรู้ต้องดูมันอยู่ตัางก็ฝันไม่ออกสาฝันไม่ได้มันตื่นก่อนถ้ารู้ความคิดตังมันมันเจาะนะมันจะจ่อลงไปทั้งจิตใ้ทั้งมันก็รียกว่าบอดด้บอดดงอีเดเซนส์จ่อลงไปในภาษาอะยแม้แต่จะฝันมันก็รู้ไอ้ตัวนี้ถ้าเรารู้ความคิดอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะ คิดแล้รู้แล้วมันดับคิดแล้รู प प ้แล้วมันดับไปคิดแล้วรู้แล้วมันดับไปมันจะเจาะดั่งลงไปที่เรียกว่าสตานุโพธาอย่างลงไปสู่ความจริง boiling in the sense of the truth มันจะเจะลงไปเวลาเรานอนหลับถ้าเราฝึกติต่อตั้งแต่เดตั้งแต่เด็มแม้แต่ฝันตัวรู้หนึ่งตัวรู้ที่เราพัฒนามาตัวบัญญาเนี่ยที่เราไม่ให้ประมาณมันเนี่ยมันจะตืนก่อน อันนี้ฝันมึงบอกจบบริฝันเลยเมื่อตีกับบริสันหนึงมเมื่อก่อนตัวพวกรู้ที่เราพัฒนาวันมันรูน้คนพืนน่นมาถามบอกฝันในวอาการบอกแล้วเขาบดิฝันต์งานทีจ่จะวันนีนะถ้าวันนั้นจะเหนื่อยที่สุดหลับไม่รู้เรื่องเหนื่อยที่สุดถ้าวันนั้นเราจะฝันบอนทีกับฝันเถะเถอะเปล่าเรื่องเก่าๆเดิมๆแต่ถ้าอยู่ดีๆสุขภาพสุขภาพดีๆฝันไม่ได้เลย พเราฝึกรู้ความคิดอยู่ตลอดไม่ได้ฝันมันก็จะรู้ประเทนี้แล้วเราจะได้ความคิดอันหนึ่งที่ท่านบอกว่าบาุคคลไม่ฝันในโลกนี้มีอยู่สี่ประเภทใครบ้างสามประเภทมมนใช่สื่นุงพระอรหันตะัส ม, มารถุทธเจา้าไม่ฝัน ที่ฝันเมนื่อวานนีฝันก่อนตัดทะลุวันหนึ่งฝเห็นนกสีต่งตางๆฝันเห็นนอนหัวหัวดาๆตัวขาวๆแต่หลังจากตัดทะลุระ้พมันฝันนะหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ฝันสองพระประเจ ก, กับพระพุทธเจ้าจะไม่ฝันสามพระอาหารหันต์ไม่ฝันถ้าฝันบ่วยๆใ น, นพระอาหารหันต์ไม่จะพูดอะไรอ่ะดอก ถ้าเราศึกษาแล้วเราเราจะเชื่อก็เราไม่เชื่อก็ได้เพียงแต่ว่าให้เราปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจ้องดูจ้องรู้ต้องเห็นเวลาเราคิดมันคิดเวลาใด ก, ก, ก็รู้จากมันคิดอดีก็าตามคิดนาคก็ตามคิดดีก็าตามคิดชัวว่วก็ตามเอย่าไปเป็นเจ้าของมันให้เห็นว่ามันเกิดเองเปเองแล้วมันจะดับไปคิดแล้วรู้รู้มันดับไปความความรู้อันนี้มันจะทีเข้าทีเข้ามันเจาะมันจะใชลงไปทีนี้เมื่ต่นอนหลับเวลาจะฝันพ้ มันก็รู้ว่านี่คือฝันตืน่นมาทีฝันว่าตัวเองไปบ้านฝังมึงุ้งไปสกปไปูไปมึงกูี่ข้านฝังมึงยิ่งเสียวจ่อยไปเทวดาตกอยู่ที่นี้ฝันว่าจะเข้าไปวัดข้างใ่ไปถึงบ้านฝังตัวมันตืน่นตื่าตัวปไปฝังกูไป้มึงูไปซะกูจินอนอย่นี้กูขี้านันตื่ที่กูกูทไปโอ้เม่อเราฝึกมาเร า, เาจะเห็่จริง น, นะที่บอกว่าพระพุทธเจา้าจะไม่ฝัน พระปเจริญพระเจ้าจะไม่ฝันเพราอละหันจะไม่ฝันเรานี่แหละไม่ได้เป็นเพราะอะหันดอกพราะมุนอย่างเราเนี่ยแหละเราทําตามคํา ส, สอนของเ่านเราเรื่องเห็นว่ามันฝันยากมันฝันยากแต่จะไม่ฝันเลยอันนั้นถ้าฝันมันจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมานี่เป็เครื่องวัดอะไรเครื่องวัดนั้นเรื่องการฝันนี่เป็นเครื่องวัดผลนะของการปฏิบัติอีกด้วยทีนี้เราจะเห็นได้ว่า ถ้าเราพยายามสร้างวิชาให้มันเกิดขึ้นคือไม่ให้มีอาวิชาของความารู้ในขณะที่มันคิดเองเรารู้เราดูมันไปรักษาหนุบนชชานิศถานมันจะสงบสงบหลังจากความรูม้มันดีกว่ามั่นคงกว่าสงบที่เกิดมาจากสมาธิสงบจากวิพัฒนานั่งอยู่ก็สงบยืนอยู่ก็สงบเดินไปเดินมาก็สงบไปนั่งในรองรองหลงัลงรงนคร เอื้อยอออื้อยคือเคกงเราก็สงบเมื่อพุ่งปลายไลพอจะเพ่งเข้าไปดูปึ๊กมันจะล็อกเป๊ะเน่นเป๊ะในห้อมนจะมีเสียงอีนดังมาประภเสีเสภานอกทำใมีเสียงดังมันจะมีเสียงดังแต่ข้างภายในมากกว่าเสียงภายนอกก็เสียงของธรรมจะกบเสียงของโลกเสียงของโลกจะดังแค่นระดับต่ำแต่เสียงของธรรมจะกบเสียงของโลกเลยถ้าสถิติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นนี่คือคือขบวนการแทรกแซงแทรกแซงขบวนการเคาะอวิชชาบันเทาตันหาทำแรกอวิชชาแทรกแซงกําลังของมันตักกำลังมันตัวการการะทำอย่างนี้ให้จะบอกว่าพระเรเพ่งดูเพ่งดูเพ่งเห็นอย่างทุกลักษณะที่มันเกิดขึ้นอันนี้จะเป็นไปเพื่อทางพันปัญญาเรียกว่าวิปัสนาอธิปัญญาวิปัสนาเห็นแจ้งอย่างยิ่ง ด้วยอาทิปัญญาที่เราบำเพ็ญเรามีปัญญาอยู่ทุกคนแต่ก็บาเพ็ญเขาเป็นอาทิย์ปัญญาเมื่อเราบวชอุปชาก็บอกาอาทิศีรเศีขาสีกิตภาอาทิตกิตเสศขาสีกิตตภามอาทิตย์ปรักษ์ศขาสีกิตตภันติเราสุดทา้ายเมื่อเราบวชอุปชาพูดให้ว่ายอย่างนี้เราก็อกวาอาหมกพันเตเขาไปว่าโดนเขาน่อยเชียร์น้ำยูดอกก็แล้วไปก็เมื่อ นี่คือตัวอธิย์ปัญญารู้จิ้งซึมันมีเวลาใดที่จะประเดียงจากที่ไหนจะทาบนันไหนจะสอนให้ดูให้ดีๆเราจะไม่คล้องไม่คล่องในบุญไม่คล่องในบาปความคิดที่มันดีๆหนึ่งนั่นคือบุญนะท้านเรียกว่าอปุญท่านเรียว่าปุญญาอภิสังขาโรโอทิอภิสังขาโรโอติ ปุญยูปักขังโหติปุญญาณนะวิญญาณนะังเมื่อเราคิดฟุง้งฟงแต่ในเรื่องดีๆมากๆอยู่ดีๆเราคิดแต่เรื่องดีๆมากๆคล่องอยู่ ใ, ในใจนั้นหลังจากนั้นแล้ววิญญาเราจะเข้าถึงบนแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องบาปเรื่องชั่วอวิชชาพิฆเวปุริสสะปุขโล พี่โสทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยอวิชาคือพอไม่รู้เมื่อจิตอาบุญยาอภิสังคารโรติอาบุญญยประค่งโหติวิญญาณนั้นเมื่อจิตคิดแต่เรื่องบาปเรื่องเรื่องที่มันเป็นบุญอย่างยิ่งเรื่องชั่วอย่างยิ่งไปติดข้างของประประประคล้องประคาดตรงนั้น อ่าปุญอยู่ประคังโหตีวิญญาณนังวิญญาณเขาจะไปคล้องจะไปติดอยู่ยตรงนั้นแต่ถ้าว่ามีปัญญาขึ้นคือเรารู้เราเป็นผูร้รูมันจะไม่คล้องสัตว์ทั้งหลายสัต์ดิบชนันอาภัพเขาเกิดมาเขาทำได้ทํากรรมได้ได้ประการเดียวแต่ไปกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตา่างเขาทำได้ได้เพียงมโนกรรม เมื่อมนุษย์ของเราทําได้ทั้งสามทั้งกายแต่กรรมทั้งวิจิกรรมมโนกรรมมันยิ่งมีกําไรมากครูเจ้าจะว่าอักขังฐานนางมนุษย์เสียสมักขังสัตาวิสุทธิยาฐานะอันเปรื่อดเลอเลอที่สุดมีอยู่ในหมู่มนุษย์ที่จะยังยังตัวเองพัฒนาไปสู่เส้นทางความบริสุทธิ์มักขังวิสุทธิยานำตัวตรงเองไปสู่เส้นทางความบริสุทธิ์รุดพ้นได้ แต่ส่วนสัตว์ทั้งหลายอาภัพมากบันนี้เราอยู่ในฐานะเลิไหมโดยอักคังฐานะอักขะฐานะฐานะเลิกมนุษย์เสสุขมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้เพราะเราสามารถจะพัฒนากรรมด้วยบโนกรรมไปสู่วิจิกรรมไปได้กรรได้ส่วนสัตว์ทั้งหลายก็พัฒนาไม่ได้นอกจากเขาจะเกิดเองด้วยอารมณ์ที่เป็นบุญเกิดขึ้นโดยเขาไม่รู้สึกตัวตอนนั้นเขาจะไปได้ อย่างกวางอย่างงูป่าอย่างไก่อย่างนกยงูงอย่างนกกระเรียนอยู่ที่วัดนี่เป็นไปได้ที่เขาจะพัฒนาก่ําทางจิตใจมนุษยกรรมเขาเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นผู้คนมากๆเขาเกิดความชื่นชมดีเขาพอใจเขาอาจจะอยากเป็นอย่างคนก็ได้เวลาเขาตายไปปับ๊บนั่นแหละปุ่นอยู่ประคังโหที่วิญญาณหนังของเขาวิญญาณเขาจะเขาเข้าถึงบุญอาจจะไม่เกิดเป็นคนก็ได้ แต่คนมันเป็นไประด้งมากนะเป็นได้ไดไดทั้ดีทั้งชั่วได้ทันยิ่ ง, งให้เราพัฒนาเรื่องจิตพัฒนาเรื่องกรรมอยู่ในจิตนี้วันหนึ่งเมื่อตอนเช้าเาตีสองเรื่องลาไปแล้วเป็นปชิมยามแห่ราตีที่เชตวันมหาวิหารพัฒมาลผู้ริกาพระองค์ทรงลุกขึ้น ทำสรีรักขิตและก็ทรงแผ่ขาพ ย, ยานตัวดูชาวโลกมนุษย์โลกผู้ใดน้องควรที่จะอนุเคราะห์ที่พอจะรับฟังคำสั่สองได้โสตับพังมันเยยยุงใครน้องที่จะพอรับฟังคำสั่สองของเราได้เราจะไปแนะนำทัพสองด้วยการุารารนยมาภาพาถ้ามีความปฏิบัติตัวอย่างนั้นเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกหรือว่าโลกถทะกริยา เมือม่อเมือ่อตรวจหาผู้ใดไม่เห็นท่านก็เลยเดินเดินบริหารพระวาราการเดินจงกรมนั่นแหละจังกรมมนั่นแหละเดินไปเดินมาอยู่ในป่าพระเชตวันพระเชตวันี่ไปอารามมันร่มเรื่นมากมีผู้คนเกื่อนกล่นไปนั่งฝึกนั่งหัดฟังธรรมและนั่งจเจริญสมาธิภาวนานทั้งพิ่สุพิ่สุดงบวาสกวาสิกาักษณาจจะเป็นคล้ายๆในเวลาของเราในข น, น, นี้แหละ ในพระเชตวันมีอยู่เกินก่อนสมัยก่อนเมื่อพระองค์เดินไปเดินมาแล้วผู้คนเอื่นเขาหลับหมาแล้วพราะวันหยาประชิมยามคือตีสองไปแล้วปากกว่ามีแสงประหลาดลอยนุ่งลอยตรงมาหาพราะองค์ช้าๆมีแสงเรื่อเรืองสว่างสวายนุ่มนวลพระองค์รู้ว่มันคืออะไรพระองค์ก็เลยยืน มันก็ตรงมาตรวมาใกล้ๆมามาลงพื้นแผ่นดิน ท, ที่แรกเราอยู่สูงแต่เราลงมาเร า, า, า, าลงมาใกล้เข้ามากล้เข้ามาก็มาหมอบลงมาก็มากราบเป็นคนมีมีแสงออกตาม ต, ตัวกลาบเท้าหลังเท้ามะมัมับพระองค์ทรงทร ง, ทร ง, ท, รงทรงตรามาโกมีวันทิต ป, ปาฐานีเมนไพร ขาไปะเป็นเราเมนไผเมื่อขาบตีเนเราอยู่นี่เลยนะปะฟาสห า, ายใครรบมากผู้ใดหนมากราบเท้าเราอยู่ไอ้คนกราบตอว่าไม่รู้บอกักว่าทักผู้ข่าเป็นหนังทักเขนอดเป็นเนื้หัักไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรเอา้ามันพอปัวหรือแหเนาะาคนเนาะ พรอเป็นลูวอะไรตัโอยจโหกแต่ก่อนเธอเป็นอะไรเธอมาดูท่าน ท, าทามันทุกโกหางปูดเดอาสิงอุทการวันวิโคจโรเมื่อก่อนนั้นหม่อมฉันเป็นกบกบนะกบเอฟเอฟเนี่ยที่ผัดไปยกะเพราดีๆเนี่ยที่ไปต้มไปด้ากนิน อุทยานวลิโคลเจโรข้าพระองค์หาเป็นกบหากินยตามริมฝั่งน้ําในสระนี้มนเมเปเชตะวันมีสระอะนี่แหละทางเข้าไปบกว่าหม่อมฉันเป็นกบหากินตามริมฝั่งน้ํานี้และเป็นอย่างไรทา่าท่านถามโคปาลาวัชกุปลาละโกคนฆ่างัวคนคนเลี้ยงงัวมาฆ่าหม่อมฉันตายเอ้า ทำไมเธอม่โดนลงน้ำหรอก่านาญเธอเป็นกบท่านให้เขาตีทำไมกบตัวนั้นมันฟังธรรมอยู่ว่าไนว่าว่าตวะธััมสุนันตธาอวาทิวชัคกุปะรโกคำภาษาบาลีคาว่าตวะมันเป็นคำเรียกบุคคลที่สามที่น่าสงสารถ้าเป็นภาษาศิีสเกวะว่าเงาะขนา งอคขนาฟังเทศอยู่ทีนี้ก็เลยโกหรบว่ากบตัวนั้นมันฟังธรรมโยกนะแล้วคนเล้ยงงองก็เลยมาตีของก็ตายท่านก็เลยถามต่อไปว่าทำมาได้เธอไม่โ ด, ดหลงน้ำเธอฟังรู้เรื่องอะไรฟังธรรมเธอเป็นกบเธอรูุภาษามนุษย์เรือไม่รู้สักคำนั่น ไม่รีดเราไม่จงใจกันเลยนอกจากตอนเด็กๆเราไม่รูกันไม่ฟังไญ่ลยหลายคนมันจะพูดโกงกอบกัเลยตัเองก็เลยกอบเลยกว่งออกกอบเลยกอบูกเองที่จะโกกอบไเลยพเจ้าเลยถามว่าเธฟังรู้เรื่องอะไรไม่รู้สักคำพระเจ้าค่ะแล้วฟังทาไมมันมวน คนซอดก็ว่าฟังแล้วเกิดป ok ีติเกิดปาโมนคือจิตนั้นเองตอนนี้จิตจิตเป็นบุญนลยนะนี่บุญญาพิสังขารโดอภิสังขารโหติจิตเป็นบุญเป็นเป็นบุญญาพิสังขารปรุงแต่งอย่างยิ่งเือบุญพอใจใหญ่ยิ่งเกิดปีติเกิดปามนก็พอดีเถ้าเขาตีหัวปั๊บเกาะบุญอยู่ประคังโหติวิญญาณน่ะวิญญาณเข้าถึงบุญเลย เมื่อเธอพอใจอยู่เธอฟังมารู้เรื่องเธอพอใจและทำไมเธอจึงไม่โดดลงน้ำเมื่อเขาผ่านมาข้าพวกงโง่จะไม่ได้ยินโดดลงในน้าแล้วน้ามันจะปิดหูอย่าบริญิ่มมันห่อจะฟังต่อได้ยินเสียงพระสวดมนต์ในไพร่หมาแต่พวกเราสวดมนต์ในยืดเกล็นเสียงสวดมนต์อัน น, นุ่งนวลก้องกำวนกอมพงผายอันอุดม บอกก็บอกว่าเข็ดนงนูบุปผีเกษียรฟังมันสดมันงด้แค่ห้าคนรู้งัวไล่งัวมาข้าวโงก็หลับตาไว้เลยนะเพ่รับตาไว้เพราะว่าเขาจะไปเห็นของพดีไปเลยเขาไปได้ลวเพราะอกบมวมัมมันไลางัวมันเลยไปเห็นโอมัน c บปีอยู่ตในตัวใจเลยครัรยเล้วมันษาก็เลยด้งเรื่อง ตามขอบตะเจ้ยนลงไปข้างล่างไปหาไม้หาไม้ไมาตีกบมันเดินขึ้นมาอีกหมอมัช้ก็หลับตาเน่ะแวตามงไปเพว่าเขาที่เปเห็นว่ตบานเจะของงงกเลยหลับตาล้มันถึงมานขอนเลยว่าใส่ เ, เต้มาเดยนเซ็ตเธอถูกเขาตีแล้วเธอเป็นอย่างไรงั้นนอนหลับมันบ้า ใช่หอยคเรียนนอนหลับคือมันจะเลยเมื่อนานเกินรออดทนเอาหน่อยจะเย็นดีรถมูนี่แหะคือเรนหลับคือคบหรอกถือว่าบตู้ลับหลับนี่เลยผทจะบอกว่าเวลานอนให้แอบดูเวลาหลับมันจงบริขึ้นครบจะไปดูเกขอะไรกเด้เพองจะหลับได้ไหมเรื่องีคือเรื่องทคือกรบถือไปก่อนเะ โต๊ะโต๊ะแอบดูจะได้ตายเซลล์ขนาดตายว่าขึ้ขบไปถูกมันไม่ค อ, อ, อนตีหัวก็ตายตอนตายก็บอกว่าเหมือนนอนหลับแล้วเป็นอย่างไงตื่นขึ้นใหม่พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นไม่ไมรู้ว่าตัวเวองเป็นขบน่นเพราะอะไรวิญญาณนไปเกิดมาเป็นตัวโกเบก็ตนอยู่ประคังโหัวติวิญญาณหนังวิญญาณเข้าถึงบุญ พราะตอนนั้นมันจิตใจมันร่าเดิมมันเนบุญมันคิดลุงบุญอย่างเดียวเพืิดเพลิอนอยู่ข้าพระองค์รู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วเห็นแสงสภัททิสาประภาเสติแสงสว่างสว่างสั้นไปทั่วทุกทิศในร่างกายข้าพระองค์จึงมึนว่าข้าพระองค์เป็นอะไรก็เลยคิดต่อไปบบาก่อนที่เราจะมาเป็นอย่างนี้เราถูกตีหัวอยู่ขอบฝังสระเราลำฟังทำจบ อีบันนี้เราเป็นอะไรเราควรจะไปหาพระผู้มีพระเก้ารผู้แสดงธรรมพระสงฆ์ที่สวดมุนก้องอาวาัยอยู่ในป่าโนมู่ใหญ่นั้นพอคิดปั๊บเดือยอำนาจแห่งเทวาลนาุภาพร่างกายก็มาปรากฏที่พระเชตวันเป็นแสงมาเลยฮูรูมาเลยนานาวันนาเจเทวตาเทวดาทั้งหลายย่อมมีแสงต่ตตางๆใ น, นลำตัวถ้าผู้ใดนอนอยู่ในป่าในเห็นแสงเราแต่ะมาข้างบนจะไปว่าในวิดย์ทเทลกบจะเห็นด้ นอเด็กบ็ทง่มดากันได้บบก็ปวดดับมนามเลวังดีขับรีโน่บนตื่นในสือดึงขาปุพร้อมตตขมพร้อมมือเ้างมาเลยหาโตคนวจะเข่ามองีก็เป็เด็กน้อยมีแสงคนนี้มีแสงนานาวันนาจเทวดาเทวดาทั้าทางหลายจะมีแสงตัว ต, ต่างกัน พระยากรบอกว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่ใช่กบแล้ว น, นะเธอจะรู้ที่ว่าบัด น, นี้เธอเป็นเทวดากอบอุ้รั้วเราเป็นอะไรจะเป็นเทวดาทําไมข้าพุทองค์องที่เป็นอย่างนั้นพระยากรเลยบอกบจิตเตะอ า, าังกิริเตสุกเิปฏิกังขามันุกากบเอ้ยเมื่อจิตของเธอไม่เศร้าหมอง เธอก็จะต้องไปสู่สุขติไม่ต้องสงสัยเลยอะไรพาให้ผมไปก็บกระหำต่อโอ้ก็บอกว่าอัโธคามีจิตตังปุญจังกระโรติมันโทคามิเสสะขามีจิตตังปุญจังกระโรติมันโทคากบเอ้ยเพราะบุญนี้แลเพราะจิต น, นี่และเป็นเหตุบุญ จ้องน้ายจิตของเธอไปสูงอาโทขามีจิตตังปุณย่างกโกรธบุญนี้แหละทำให้จิตของเธอไปสูงถ้ามันไม่ไปสูงก็เราต้องอยู่ริมขอบตะเท่านั้นเมื่ใช่เอากายไปเอาจิตไปจิตพาไปไปดูเป็นวิเสสะขามีจิตตังปุอย่างกโกรธ่มันเท่วกับกบเอ้ย บูญนี่แหละอย่างทริงของเธอให้ไปวิเศษไอ้วิเศษมันไม่ได้แป่าดีเลยไปแบบบวกขึ้บวกขึ้นเก่าก็ไไ้บวกขึ้นงูกระไรคนคนนมงนั่งอยู่ในนี้ทุกวันนั่งอยู่ด้วยกันคนพิเศษคนพิเศษสูกูงกรือาพิเศษขี่กูงู่าวิเศษกูงตามกูงกวิเศษกูงปากกูก็วาิเศษกูงูตกููกรวิเศษกูงู อยู่ในที่ดูของวิเศษกูวิตอแปกพวกเศษส่วนที่เหลือส่วนที่มีวิเศษสารือว่าพิเศษไปบอกขึ้นงูงูยางไดโตกันยังบุเป็นงูว่าวเถือโตกับว่าว บ, บ, บุถื่ก็เริ่มิเศษเว้นที่กูงูเลยบอกขึเก่า ว, วิเสสักามีจิตตังคุณอย่างกระโรติบุญนี้ยังจิตให้ไปวิเศษไปเันเงินเก่าขึ้นเราก็ไปก้ขึข้นเกา่าไป เออเออที่ฟังทับ น, นั่นคือเป็นเทวดานี่แหละที่ก็ต้องให้เรารู้จักเจดเวลามันคิดเพื่อแต่ไม่ให้มันคล้องอันนึงครบมันน่นคล้องเลยคล้องไหนคล้องวุลนมี ญ, ญ, ญานโสตังอุปยตโตอภูชินทังสังสารัปริวัติธรปิติเมื่อกระแสแห่งวิญญาณยังไม่ขาดโดยส่วนทอง ก็ยังคล่องอยู่ในวัตสงสารวิญญาณมันเป็นกระแสนะกระแสมือนกระแสน้ํานะมันมีที่คล่องอยู่โดยส่วนสองคล้องบ่าบ้างคล่องวุ่บ้างถ้าคล่องบุ ญ, บบญก็จะไปเกิดทางดีอยกก่างกบุญอย่างเด็กกบมมันคล้องบุ่นจิตของสัตว์ดิบฉานเขาสามารถจัพัฒนาได้เพียงจิตถ้าเขาเกิดยินดีปีดาปามัวในบารัสุดท้าย เขาจะไปสู่กระแสอย่างนี้จึงหรียกว่าปุณยุปคังโโหติบินญาณังแต่ของพวกเรามันไปได้ทังนั้นของมนุษย์จะไม่งเมืองเงินของสัตว์ไปตกนรกก็ได้ไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ไปเป็นเตก็ได้ไปสุรกาก็ได้ไปเป็นกบใหม่ก็ได้ของคนเพราะอาศัยจิตแต่คนนี้ไม่ให้ไปเลยก็ได้จึงถือว่าวิเศษกว่าเขาจึงถือว่าอคังฐานัมนุษย์เสสสมมัชย์ขังสตาวิสุทธิยา ฐานะอัเลิอมีอยู่ในหมู่มนุษย์สามารถที่จะนำไปสู่เส้นทางของบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ยุ่งกับสัตว์ทั้งหลายในโลกอันนี้วันนี้เรามีพร้อมแล้วจงเอาฐานะอัเลิหนึ่งมาพัฒนาอย่ารับเฉยๆอย่านั่งเฉยๆอย่าให้มันคิดเฉยๆอย่าให้มันคิดดีเฉยๆอย่าให้มันคิดชั่วเฉยๆอย่าไปดีใจกับความคิดที่ดีๆอย่าไปเสียใจกับความคิดอันชั่วๆ เมืองพระองค์นั้นคิดแต่จะกินลูกคู่จะอยู่ในในในส้วงมาก่าพระธูปอยากจะแตะขอบพระธูเป็นคนง่ามคนวะมันคิดปากก็เลยบอกว่าต้องพัฒนาใหม่นะคุณต้องรู้ทุกขณะเมื่อคุณคิดเดี๋ยวนี้คงคิดดีๆคุณก็ต้องรู้นะอย่าไปรู้แต่ชั่วนะไปได้สักสามเดือนเคีจะหมายมาบอกขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ได้บอกได้สอนผอพุ่งจะรู้กลไกลของมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ผม ทลสิเหล่านั้นได้บังแล้วทำให้ผมสบายใจไปกราบพระก็ไม่จะไปเ ป, ปอคอผู้รูดอกวะเนี้ไปห้องน้าก็ไม่อยากลงไปกินอยู่ข้างล่างดอกเพราะเรารู้ทันมันมันก็เบกกระแสมันนี่กระแสแห่งวิญญางกระแสแอ่งรู้เพราะฉะนั้นปัญญังนับประมาชเฉยยะยาประมาปัญญาสัจจานุรักษ์กเคยยะจงตามรักษาความจริงคือความทุกข์มันเกิดขึ้นให้รู้จักประจัดแจ้ง ยาขามนุ ษ, ษย์ภูไหเกเมื่อรู้แล้วมันปล่อยก็จนพ่อคุณการปล่อยวางอันนั้นสันติิเมวะโสยจงศึกษาาสสันติคคือวมงบเมื่อเราปล่อยแล้วเมื่อเราเรียนแล้วเมื่อนั้นความสงบกเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรจงศึกษาแล้วก็ได้ทํามันต่อไปแล้วจะขยายไปสู่ฝั่งสเสถีนิพพานนะสันติเกวันนี้สงวรเกเวลาถ้าทําได้แบบนี้ก็ใกล้ฝั่งพนิพพาน รักขนุงปนิชฌาานจงเจริญ ง, งอกงามเข้าอกเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นโลกีและโลกตลุตระบางเกิดมีในกิในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วทุกโดนทั่วกันทุกรูป ท, ทุกองค์ทุ้ท่ทานทุกคนเถอสาธุหมดเสียงก่อนเสาธุสา